อันโออาของกษัตริย์วงศ์สากยราชแห่งกรุงกบินลพัรมีการประดับประดาประทีปโคมไฟจนสว่างไสวไปทั่วเขตพระราชวังพระเจ้าสุโกธนะพระอนุชาแห่งสมเด็จพระเจ้าสุโธธนะตลอดจนพระประยุรญาตและเสนาข้าราชบริพาร มีความปรีดาปราโมทอย่างยิ่งที่พระราชกุมารอีกพระองค์หนึ่งได้อุบัติขึ้นมาในโลกอาหากุมารน้อยของข้าเจ้าเป็นนิมิตที่นำความปรีดาปราโมทและบันเทิงสุขมาสู่ราชวงศ์ของเราข้าจึงขอตั้งชื่อเจ้าว่าอานันะ ราชบุตรของเราเกิดวันเดียวกับที่เจ้าชายสิทธัตถะราชโอรสแห่งเสด็จพี่สุดโทธนะประสุตธ์ดูสิท่านทั้งหลายชะรอยกุมารทั้งสองคงเป็นสหาชาติกันเพราะก้าวลงสู่โลกมาพร้อมกันโดยไม่ได้นัดหมายจึงนับว่าเป็นคู่บารมีกันโดยแท้อานันท์อานัน ท, อนนท์อานันท์ อนันนะเจ้าชายอานันทะได้รับการเลี้ยงดูอย่างดีที่สุดเท่าที่ราชกุมารพึงได้รับพระองค์ทรงเติบโตขึ้นภายใต้ความชื่นชมโสมนัสของพระราชบิดาและพระปยุรยาตพระทรงเป็นเจ้าชายผู้อ่อนน้อมถ่อมตน สุภาพอ่อนโยนและว่าง่ายพระพักงดงามน่ารักพระชวีผุดพองพระวรกายสง่างามสมสกุลกษัตริย์จนกระทั่งเจริญพระชนมายุถึงวัยอันสมควรที่จะมีคู่ครองอนันทะเจ้ามาก็ดีแล้ว พ่อมีเรื่องจะคุยกับเจ้าพระเจ้าค่าอนันทะลูกพ่อบัดนี้เจ้าก็ได้ร่ำเรียนจนจบการศึกษาทั้งศาสตร์และศิลป์จากสำนักอาจารย์ที่ดีที่สุดเท่าที่พ่อจะหาได้ในแคว้นสักกะของเราเป็นพระกรุณาที่คุณล้นกล้าพระเจ้าข่าลูกรักบัดนี้เจ้าก็โตเป็นหนุ่ม งามพร้อมทั้งรูปสมบัติและคุณสมบัติสมกับเป็นโอรสแห่งสากยวงศ์พ่อคิดว่าถึงเวลาจะหาคู่ให้เจ้าแล้วแม่เจ้าเวลานี้ก็เที่ยวมองหาเจ้าหญิงที่งามพร้อมคู่ควรกับเจ้าจะได้สู่ขอมาตกแต่งตามราชประเพณีของเราเออคือแต่ แต่อะไรเล่าอนันทะ a หรือเจ้ารักใครชอบใครไม่บอกพ่อกับแม่คู่รักของเจ้าถ้าดีจริงก็พามาให้ดูตัวหน่อยเถิดอนันทะหาไม่ได้พระเจ้าข่าคือว่าข้าพระองค์ไม่เคยต้องตาสตรีนางใดเป็นพิเศษถึงกับอยากจะแต่งงานด้วยเลยนี่เสด็จพ่อถ้าอย่างนั้นก็ไม่ยากนี่นะ เจ้าก็ลองพิจารณาสตรีที่แม่จะเลือกให้ดูสักคนสองคนก็แล้วกันเสด็จพ่อลูกยังไม่อยากแต่งงานลูกขอประวิงเวลามีคู่ไว้ก่อนเถิดพระองค์พระสิท ธ, ธัตถะพี่ของเจ้าก็ออกบวชไปคนหนึ่งแล้วมีโอรสเพียงคนเดียวคือพระราหุลเจ้าจึงต้องรีบครองเรือน จะได้มีโอรสสืบทอดราชสกุลสายของเราโดยเร็วเอาละพ่อจะให้เวลาเจ้าอีกสักพักเพื่อให้เจ้ามีเวลาเลือกสตรีที่เจ้าพึงใจหาไม่แล้วเราจะเลือกสตรีที่เราพึงใจให้เจ้าเองพระเจ้าค่าในเวลาต่อมาก็หาได้ปรากฏว่า เจ้าชายอนันทะพึงใจสตรีใดเป็นพิเศษไม่การเสด็จออกบรรพชาของเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะมากุดราชกุมารแห่งกระบิลพัตได้ก่อความสะเทือนเพื่อไทยและพิสวงงงงวยแก่เจ้าชายอนันทะยิ่งนักพระองค์ได้แต่เฝ้าครุ่นคิดถึงเหตุผลในการละทิ้งราชสมบัติ และความสะดวกสบายทั้งปวงสู่ร่มกาสะวะัสดิ์ของพระเชษฐาเจ้าพี่คงมองเห็นสัจธรรมอะไรสักอย่างเป็นแน่จึงเสด็จออกบรรพชาเอาเถอะเราขออธิษฐานว่าสักวันหนึ่งเมื่อเจ้าพี่เสด็จกลับมาเราจะลองขอบวชในสำนักของพระองค์ดูสักที ในเวลานั้นโลกยังไม่ได้ตระหนักว่านอกจากพระศาสดาองค์สำคัญของโลกจะบังเกิดขึ้นในสากยะวงแล้วเพระออนุชาน้อยคือเจ้าชายอนันทะผู้นี้คือมหาบุรุษผู้ซึ่งสวรรค์ได้ทรงลงมาจุติเป็นสหาชาติกับพระสากยะมุนี เพื่อต่อไปภายภาคหน้าจะได้ทำนุบำรุงซึ่งกันและกันตามบารมีธรรมที่ร่วมสร้างสมกันมาหลายชาติพบจนกระทั่งหกปีภายหลังจากที่พระสิท ธ, ธรรัตถะออกสแสวงหาโมคขธรรมได้มีข่าวแพร่สะพัดจากนครราชครึเข้าสู่นครหลวงของแคว้นสักกะ ว่าบัดนี้พระมหามุนีโคตมะสากยะบุตรได้สำเร็จเป็นพระพุทธเจ้าแล้วและกำลังเทศนาสั่งสอนปวงชนชาวมคตอยู่พระเจ้าสุโทธทนะซึ่งบัดนี้กลายเป็นพุทธบิดาจึงได้เรียกประชุมสากยะราชทั้งหลายณสันทาคารแห่งกรุงกบิลพัท เพื่อปรารบถึงการเชิญเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้ากลับสู่นครอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอนท่านทั้งหลายบัดนี้ท่านคงได้ทราบข่าวการอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้าแล้วพระองค์มิใช่ใครอื่นคือสิทธัตถากุมารบุตรแห่งเรานั่นเอง ข้าพเจ้าขอปรึกษาท่านทั้งหลายว่าควรจะส่งคนไปทูลเสด็จมาเมืองเราหรือควรจะคอยจนกว่าพระองค์จะเสด็จมาเองผู้ใดมีความเห็นอย่างไรขอให้แสดงความคิดเห็นได้มีราชกุมารองค์หนึ่งชูพระหัตถ์ขึ้นคือเจ้าชายเทวทัต คู่ปรับเก่าแต่ยาววัยของเจ้าชายสิทธัตถะนั่นเองข้าแต่ศักยราชทั้งหลายข้ามีความเห็นว่าเราไม่ควรทูลเชิญเสด็จข้ามีเหตุผลว่าเมื่อตอนเสด็จออกบวชพระสิทธัตถะก็มิได้ทูลใครแม้แต่สมเด็จพระราชบิดาเองอีกประการหนึ่งกระบิพัพเป็นนครของพระองค์ เรื่องอะไรเราจะต้องเชิญเจ้าของบ้านให้เข้าบ้านเมื่อพระองค์โอ้อวดว่าเป็นพระพุทธเจ้าแล้วจะไม่กลับบ้านของตัวเองก็แล้วไปเมื่อพระองค์ไม่คิดถึงพระชนกหรือพระประยุรยาทั้งหลายเราจะต้องไปคิดถึงพระองค์ทำไมกันเจ้าชายเทวทัต ร, รัดจบก็นั่งลงเสียงอื้ออึองวิภา์วิจาร์ดังขึ้นเซงแซ่ มีทั้งผู้เห็นด้วยและปฏิเสธแต่ทันใดนั้นเองเจ้าชายอนันทะก็ลุกขึ้นกล่าวด้วยเสียงอันนุ่มนวลว่าข้าแต่ผู้เป็นใหญ่ในแผ่นดินและสากยวงศ์ทั้งหลายข้อที่เจ้าชายเทวทัตกล่าวมานั้นไม่ชอบด้วยเหตุผลข้าพเจ้าไม่เห็นด้วยเจ้าชายสิท ธ, ธัตถะแม้จะเป็นยุพรราช มีพระชนมายุยังยาวก็จริงแต่พระองค์บัดนี้เป็นนักพรตและไม่ใช่นักพรตธรรมดายังเป็นถึงพระพุทธเจ้าอีกด้วยแม้แต่นักพรตธรรมดาเราพูดถือตัวว่าเป็นกรรษัตริย์ยังต้องเคารพเมื่อเป็นเช่นนี้เหตุชะไหนเราจะให้เกียรติแก่พระสิทธัตถะ ซึ่งเป็นทั้งพระพุทธเจ้าและพระญาติของเราไม่ได้ข้าพเจ้าเห็นว่าควรจะส่งทูตไปเชิญเสด็จพระองค์เข้าสู่กบิลพัทการที่เจ้าชายอนันทะเสนอมาโดยอ้างตําแหน่งพระพุทธเจ้าขึ้นเป็นที่ตั้งก็ความเป็นพระพุทธเจ้านั้นใครๆก็อาจเป็นได้ถ้ากล้าโกหกชาวโลกว่าตัวเป็น พูดเอาเองใครๆก็พูดได้เทวทัตถ้าเจ้าพี่ลวงโลกว่าเป็นพระพุทธเจ้าอย่างที่เธอเข้าใจเราก็ยิ่งจําเป็นที่จะต้องเชิญเสด็จยิ่งขึ้นเพื่อจะได้รู้ให้แน่นอนว่าพระองค์เป็นพระพุทธเจ้าจริงหรือปลอมเวลานี้ณสันทาคารเงียบกริบไม่มีใครพูดขึ้นอีกเลย พระเจ้าสุโธธนะจึงตรัสขึ้นว่าท่านทั้งหลายถ้าเราเถียงกันแบบนี้สักกี่วันก็ไม่อาจตกลงกันได้ต่างคนต่างก็มีเหตุผลด้วยกันทั้งสิ้นข้าอยากให้เรื่องนี้จบลงด้วยการฟังเสียงข้างมากผู้ใดเห็นว่า สมควรเชิญเสด็จลูกของเราขอให้ยกมือขึ้นดีคราวนี้ผู้ใดเห็นว่าไม่สมควรเชิญขอให้ยกมือขึ้นดีละมีเจ้าเทวทัตกับสหายคู่ใจของเจ้าเท่านั้นที่ไม่เห็นด้วยเป็นอันว่าจบเรื่องการวันนี้นะ เวะทััตอานนเพลานั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จจากอุรุเวลาเสนานิคมตำบลที่ตรัสรูไปสู่อิสิป ต, ตนะมรุทายวันเพื่อโปรปัญจวัคขีหลังจากที่ทรงโปรพยสะและชดินสามพี่น้องพร้อมด้วยบริวารแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้า ก็เสด็จเข้าสู่กรุงราชครืเพื่อโปรดพระเจ้าพิมพิสารตามปฏิญาณที่ให้ไว้สมัยเมื่อยังแสวงหาโมคธรรมทรงได้รับเวรุวันสวนไม้ไผ่เป็นอารามสงแห่งแรกในพระพุทธศาสนาทั้งยังได้อักขระสาวกซ้ายขวาคือพระสารีบุตรและพระโมคคลานะเป็นกำลังสำคัญอีกด้วย เจ้าชายอนันทะเฝ้ารอการนิวัดพระนครด้วยใจจดจอ่อกระตือรือร้นอย่างประหลาดท่านลุงข้าพระองค์ขออาสาไปเชิญเจ้าพี่เสด็จนิวัดพระนครด้วยตนเองอย่าเลยอนันทะเจ้าอยู่ที่นี่ช่วยลุงเป็นหัวแรงเตรียมตกแต่งวัดนิโคระธาราม ถวายเป็นพุทธนิวาสจะดีกว่าลุงจะทรงราชทูตไปเชิญเสด็จเป็นการสมควรกว่าก็ได้กระหม่อมในที่สุดพระผู้มีพระภาคและพระอรหันต์ขีนาศ จำนวนประมาณสองหมืรูปก็ได้เสด็จจากกรุงราชครืสู่นครกบิลพัทการเสด็จมาของพระพุทธองค์ครั้งนี้เป็นที่ชื่นชมสมมนัสของพระปะยุรญาตยิ่งนักพระทรงจากบ้านเมืองไปถึงเจปีครั้นเมื่อทรงเสด็จมาเยี่ยมพระราชบิดาถึงพระราชวังก็ยังได้แสดงพระธรรมเทศนาะ โปรดให้พระราชบิดาเป็นพระสกิทาคามีและพระน้านางมหาปชาบดีโคตมีบรรลุเป็นพระโสดาบาันในที่สุดซึ่งในระหว่างนี้เจ้าชายอานนในฐานะที่เคยเป็นอนุชาคนสนิทของอดีตเจ้าชายสิทธัตถะก็ได้มีโอกาสตามเสด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อรับใช้ใกล้ชิดเป็นยมอุปถาค ไม่เว้นแต่ละวันยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใดก็ยิ่งทรงบังเกิดศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างแรงกล้ามากขึ้นเท่านั้นในเวลาต่อมาเมื่อพระศัสดาทรงเห็นว่าได้สำราญพระอิริยาบทพอสมควรแก่เวลาแล้วจึงเสด็จออกจากกรุงกบิลพั์มุ่งสู่อนุ ป, ปยามพวันแห่งแคว้นมัลละ เพื่อเผยแผ่พระศาสนาต่อไป อยู่ในความเศร้ามองเพื่อความปรารถนาะที่จะได้เสด็จออกบรรพชาตามรอยพระเชษฐานั้นแรงกล้ายิ่งนักแต่จนบัดนี้พระองค์ก็ยังไปได้ไม่ถึงไหนเมื่อครั้งพระาศาสดายังประทับอยู่ณนะนิโครทารามนั้นเจ้าชายแห่งสากยะวงหลายพระองค์ ได้เสด็จออกบรรพชาตามพระพุทธองค์เจ้าชายอาน o น์ก็ทรงทำเฉยเสียราวกับนิ่งดูได้แต่ก็เป็นที่รู้กันดีว่าเจ้าชายอาน o น์นั้นเป็นผู้มีจิตใจงดงามยิ่งนักพระองค์มักจะทรงห่วงใหญ่คนอื่นก่อนตัวเองเสมอดังนั้น แม้ว่าจะทรงตั้งใจบรรพชามาก่อนใครๆแต่ก็ทรงอดเป็นห่วงพระราชบิดาและพระราชมารดาซึ่งอยู่ในวัยชราไม่ได้จนกระทั่งเมื่อเจ้าชายอนุรุษและเจ้าชายพัทยาได้มาชักชวนให้พระองค์ออกบรรพชาตามกระแสผลักดันของพระญาติทั้งหลายในสากยะวงศ์ที่ต้องการเห็นบุตรหลานของตน ที่ได้เคยถวายให้เป็นพืชเล่นและเป็นบริพานของสิทธะกุมารเมื่อครั้งกระโนนได้ออกบวชเพื่อติดตามรับใช้พระศากยะมุนีต่อไปในปัจจุบันด้วยเหตุนี้เองเจ้าชายอานนท์จึงได้โอกาสออกบรรพชาพร้อมกับเจ้าชายอนุรุษเจ้าชายพัทยาเจ้าชายเทวทัต เจ้าชายพะคุและเจ้าชายกิมพิละเจ้าชายทั้งหกพระองค์จึงรีบเสด็จออกจากกลุ่มกบิลพัทมุ่งสู่แคว้นมัลละทันทีเ<อ>มื่อเสด็จถึงพรมแดนระหว่างแคว้นสักกะและแคว้นมัลละพระราชกุมาทั้งหก ก็ส่งเปลืองพระภูษาอันมีค่าราคาแพงมอบให้นายอุบาลีซึ่งเป็นภูษามาลาที่มาส่งเสด็จนำกลับไปขายเลี้ยงชีพแต่อุบาลีกลับเอาเครื่องประดับเหล่านั้นแขวนไว้กับกิ่งไม้แล้วรีบวิ่งกลับไปหาพระราชกุมารเพื่อขอตามเสด็จไปรับใช้พระองค์ต่อไป ในเวลาต่อมาพระกุมารทั้งหก็ได้เข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าเพื่อทูลขอบัรพชาเจ้าชายอานนท์จึงได้รีบทูลว่าข้าพระองค์ทั้งหลายมีทิฐิมานะมากเมื่อบวชพร้อมด้วยอุบาลีซึ่งเป็นคนรับใช้มาก่อนถ้าข้าพระองค์ทั้งหลายบวชก่อนก็พึงจะใช้อานาจกับเขาอีก เพราะฉะนั้นขอให้พระผู้มีพระภาคให้การอุปสมบทแก่อุบาลีก่อนเถิดเพื่อข้าพระองค์ทั้งหลายจากได้อภิวาทลุกรับเขาเมื่ออุปสมบทแล้วถือเป็นการทำลายทิฏฐิมานะไปในตัวเพื่อประโยชน์แก่การประพฤติพรหมจรรย์เอาเถอะอานนนถ้าเจ้าต้องการอย่างนั้นเราก็จะสาธุกการ ให้เป็นไปตามนั้นในที่สุดพระอานน์ก็ได้อุปสมบทเป็นภิสูตในพระพุทธศาสนาโดยมีพระเพลัะสัตสีเป็นอุปชายะและมีพระปุณณนะมันตานีบุตรเป็นพระอาจารย์ ชนมายุได้ห5พรรษาเป็นปีที่20สนับแต่ตรัสรู้ส่วนพระอานนท์มีอายุได้ห5ปีเช่นกันแต่มีพรรษาได้19ปีจำเดิมแต่อุปสมบทพระอานนท์ก็ได้รับเกียรติอันสูงสุดของอริยะสองฆ์อย่างหนึ่งนั่นคือการได้รับหน้าที่เป็นพระพุทธุปถาก ในพระพุทธองค์เมื่อครั้งที่พระองค์ประทับอยู่ณเชตวันมหาวิหารใกล้กรุงสาวัตถีราชธานีแห่งแคว้นโกสลพระเถระชั้นผู้ใหญ่เป็นจำนวนมากมาประชุมกันพร้อมพระผู้มีพระภาคทรงปรารบว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้ เราก็ล่วงเข้าสู่ปัจฉิมวัยแล้วภิกษุผู้อุปถากราบางรูปก็ได้ทอดทิ้งเราไปเฉยๆเราได้รับความลำบากไม่มากก็น้อยอันเป็นอุปสรรคต่อการประกาศธรรมะตามหน้าที่แห่งเราบัดนี้เราเห็นสมควรขอให้ทุกท่านช่วยกันเลือกภิกษุรูปใดรูปหนึ่งขึ้นรับตำแหน่งพระอุปถากรา เปป็นประจถดภายใน20ปีแรกจำเดิมแต่การตรัสรู้ของพระผู้มีพระภาคคือระหว่างพระชนมายุ3 5 5 4พ0รษาพระพุทธองค์ไม่มีพระสาวกผู้อยู่อุปถากประจําจึงทรงได้รับความลำบากด้วยการที่ภิกษุผู้อุปถากไม่รู้พระไทยของพระองค์ จึงต้องเปลี่ยนอยู่บ่อยๆการที่พระองค์ต้องทำหน้าที่ของพระพุทธเจ้าต้องมีการประชุมทรงเป็นครั้งคราวต้องต้อนรับคฤหัสถ์บรรพชิตมากมายที่มาเข้าเฝ้าด้วยกิจธุระต่างๆซึ่งในจำนวนผู้มาเฝ้านั้นที่เป็นสตรีก็ไม่ใช่น้อยจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่พระองค์จำเป็นต้องมีพระภิกษุผู้รับใช้ใกล้ชิดภิกษุทั้งหลาย เมื่อได้ฟังพระดำรัสนี้แล้วก็เกิดความสังเวชสลดใจอย่างยิ่งพระสารีบุตรจึงรีบบังคมทูลขึ้นว่าข้าแต่พระองค์ผู้เป็นดวงตาของโลกข้าพระพุทธเจ้าขออาสารับเป็นอุปถาปฏิบัติพระองค์เป็นประจำขอพระองค์อนุเคราะห์รับข้าพระองค์ด้วยเถิดเร่ผู้มีพระภาค ตรัสตอบขอบใจพระสารีบุตรแล้วตรัสว่าอย่าเลยสารีบุตรเธออย่าทาหน้าที่อุปทาเราเลยเธออยู่นะที่ใดนั้นก็มีประโยชน์มากโอวาทคำสอนของเธอเป็นเหมือนโอวาทของพระพุทธเจ้าเธอสามารถหมุนธรรมจักให้เป็นประโยชน์สุขแก่ปวงชน เช่นเดียวกับเราต่อจากนั้นพระมหาเทระรูปอื่นๆต่างก็แสดงความจำงจะเป็นพุทธุปทากแต่พระองค์ทรงห้ามเสียทั้งสิ้นเหลือแต่พระอานนท์เท่านั้นที่ยังคงนั่งเฉยอยู่พระสารีบุตรจึงกล่าวเตือนพระอานนท์ขึ้นว่าอานนท์เธอไม่เสนอเพื่อรับเป็นอุปฐากพระผู้มีพระภาคหรือ ทำไมจึงยังนั่งเฉยอยู่ข้าแต่ท่านธรรมเสนาบดีอันตำแหน่งที่ขอได้มานั้นจะประเสริฐอะไรอีกประการหนึ่งพระผู้มีพระภาคก็ทรงทราบอัธยาศัยและความรู้สึกที่มีต่อพระองค์ของข้าพเจ้าดีอยู่ถ้าพระองค์ประสงค์ ก็คงจะตรัสให้ข้าพเจ้าอุปถัมภพระองค์เองที่ประชุมเงียบไปครู่หนึ่งไม่มีผู้ใดไหวกายหรือวาจาเลยภิกษุทุกรูปนั่งสงบนิ่งพระผู้มีพระภาคจึงตรัสขึ้นท่ามกลางความเงียบนั้นว่าภิกษุทั้งหลายอา น, นุน มีความประสงค์ที่จะอุปถากเราอยู่แล้วเป็นเพียงขอให้สงรับทราบเท่านั้นเพราะฉะนั้นตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปอาน o ์จากอุปถากเราสสุุส เป็นความรอบครอบสุขุมของพระผู้มีพระภาคที่ตรัสเช่นนั้นความจริงหากพระองค์จะตรัสเฉพาะพระอานน์เองพระอาหนก็พอใจที่จะได้รับใช้ใกล้ชิดพระองค์ตลอดเวลาแต่เพื่อจะยกย่องพระอานนและให้คณะทรงรับทราบในอัธยาศัยของพระอานนพระองค์จึงเลือกปรารภเรื่องนี้ ท่ามกลางสงฆ์ความเป็นจริงนั้นพระอานน์ได้สั่งสมบารมีมาเป็นเวลาหลายร้อยชาติเพื่อตำแหน่งอันมีเกียดนี้ทว่าพระอานน์ก็เป็นผู้รอบคอบและมองการไกลไม่แพ้กันเมื่อพระผู้มีพระภาคและคณะสรงมอบตำแหน่งนี้ให้แล้วพระอานน์ก็ทูลของเงื่อนไขบางประการ ข้าแต่พระผู้เป็นนาถาของโลกเมื่อข้าพระองค์รับเป็นพุทธุปถากแล้วข้าพระองค์ทูลขอพระกรุณาบางประการคือขอพระองค์อย่าได้ประทานจีวรและบินทบาทอันประนีตที่พระองค์ได้แล้วแก่ข้าพระองค์เลยขอพระองค์อย่าได้ให้ข้าพระองค์อยู่ในที่เดียวกันกับพระองค์ประทับ และขออย่าได้พาข้าพระองค์ไปในที่นิ ม, มนต์ซึ่งพระองค์รับไว้ดูก่อนอานน์เธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงขอเงื่อนไขทั้งสี่ประการนี้ข้าพระองค์ทูลขอพรทั้งสี่ประการนี้เพื่อป้องกันมิให้คนทั้งหลายตำหนิได้ว่าข้าพระองค์รับตําแหน่งพุทธุปทา เพราะเห็นแก่ลาบสการะตาถาคตขอประธานพรสี่ข้อนั้นแด่เธออาหนนข้าแต่พระองค์ผู้เป็นบุรุษสูงสุดข้ออื่นยังมีอีกคือขอพระองค์โปรดกรุณาเสด็จไปสู่ที่นิมนต์ซึ่งข้าพระองค์รับไว้เมื่อพระองค์ไม่อยู่และขอให้ข้าพระองค์ ได้พาพุทธบริษัทเข้าเฝ้าพระองค์ได้ในขณะที่เขามาขอเฝ้าประการสุดท้ายถ้าข้าพระองค์มีความสงสัยเรื่องใดเมื่อใดขอให้ได้เข้าเฝ้าทูลถามได้ทุกโอกาสอานนนเธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงขอพรสามประการนี้ ข้าพระองค์ทูลเพื่อป้องกันมิให้คนทั้งหลายตำหนิได้ว่าข้าพระองค์บำรุงพระองค์อยู่ทำไมกันเรื่องเพียงเท่านี้พระองค์ก็ไม่ทรงสงเคราะห์ข้าแต่พระองค์ยังมีข้อสุดท้ายอีกคือถ้าพระองค์แสดงธรรมเทศนาในที่ใดแก่ผู้ใด ซึ่งข้าพระองค์มิได้อยู่ด้วยขอได้โปรดเล่าพระธรรมเทศนานั้นแก่ข้าพระองค์อีกครั้งหนึ่งเธอเห็นประโยชน์อย่างไรจึงขอพรข้อนี้ข้าพระองค์ทูลขอพรข้อนี้เพื่อป้องกันมิให้คนทั้งหลายตำหนิได้ว่าดูเถิดพระอานน์ เฝ้าติดตามพระศาสดาอยู่เสมือนเงาตามตัวแต่เมื่อถามถึงพระสูตรหรือชาดกหรือคาถาว่าสูตรนี้ชาดกนี้คาถานี้พระผู้มีพระภาคทรงแสดงแก่ใครที่ไหนก็หารู้ไม่เรื่องเพียงเท่านี้ยังไม่รู้ จะมัวติดตามพระศาสดาอยู่ทำไมเหมือนกบอยู่ในสะบัวแต่หารู้ถึงเกศสอนบัวไหมพระพุทธองค์ประทานพรทั้ง8ประการแก่พระอานนทพุทธอนุชาตาปราธนาและพระอานนทก็รับตำแหน่งพุทธทุปทาตั้งแต่บัดนั้นมา หน้าที่ประจำของพระอานนอนคือ 1. ถวายน้ำสองชนิดคือทั้งน้ำร้อนและน้ำเย็น 2. ถวายไม้สีฟันสามขนาดเล็กกลางและใหญ่ 3. นวดพระหัตถ์และพระบาท 4. นวดพระปริสดาง 5. ปัดกวาดพระคันทากุดีในราตรีการพระอานอน์จะกำหนดในใจว่าเวลานี้พระผู้มีพระภาคเจ้าคงจะทรงต้องการสิ่งนั้นสิ่งนี้หรือจะมีรับสั่งใดท่านก็จะเข้าเฝ้าเป็นระยะระยะเมื่อเสร็จกิจแล้วจึงออกมาอยู่ยามหน้าพระคันทากุดีกล่าวกันว่า ท่านถือประทีปด้ามใหญ่เดินวนเวียนพระคันธกุฎีของพระพุทธเจ้าคืนและถึง8ครั้งกล่าวกันว่าพระอานอนนั้นสามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างดียิ่งเมื่อได้รับบัญชาใดจากพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ทำได้ไม่เคยบกพร่องครั้งหนึ่ง พระอานนนและพระผู้มีพระภาคเดินทางไปยังทักคินาคีรีชนบทพระพุทธองค์ทอดพระเนตรเห็นคันนาของชาวมคตเป็นรูปสี่เหลี่ยมมีคันนาสั้นๆขั้นระหว่างกันพระองค์จึงตรัสถามพระอานนนว่าอานนนเธอจะทำจีวรแบบนาของชาวมคตนี้ได้หรือไม่ ลองทำดูก่อนพระเจ้าค่ะว่าแล้วท่านก็ทดลองตัดเย็บจีวรแบบคณาของชาวมคคนั้นแล้วจึงนำขึ้นทูลให้พระผู้มีพระภาคทรงพิจารณาพระพุทธองค์ทอดพระเนตรแล้วก็เห็นชอบด้วยรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลายใช้จีวรที่ตัดเย็บแบบที่พระอ น, นุ์ออกแบบไว้ตราบจนทุกวันนี้ ภิกษุทั้งหลายอานน์เป็นคนฉลาดมีปัญญาสามารถเข้าใจในคำที่เราพูดแต่โดยย่อได้ทั่วถึงหากจะกล่าวถึงความจงรักภักดีและความเคารพรักในพระผู้มีพระภาคพระอานน์ก็มีอยู่อย่างเต็มเปี่ยม ถึงกับยอมสละแม้แต่ชีวิตของท่านเพื่อพระพุทธ อ, องค์ได้เช่นครั้งที่พระเทวทัศร่วมกับพระเจ้าอัชชาติสัตรูวางแผนสังหายพระจอมมุนีด้วยการปล่อยช้างนาลาคีรีซึ่งกําลังตกมันแถมยังถูกมอมเล่าถึง16ม้อทําให้ช้างนาลาคีรียิ่งคึกขนองมากขึ้น วันนั้นเป็นเวลาเช้าพระพุทธองค์มีพระอานนท์เป็นปัจชาสมณะเข้าไปบินธบาตในนครราชครึกและในขณะที่พระองค์กำลังรับอาหารจากสตรีผู้หนึ่งอยู่นั่นเองเฮ้ยช้างช้างเฮ้ยหลบแล้วช้างตกมัน ช้างตกมันช้างตกมันเจ้าค่ะเอ้ยมันกําลังมาทางนี้แล้วหนีเร็วช่วยด้วยว้าวด้สิทาทางมันเมามาด้วยเดินเป๋เลยพ่อก็ดูอยู่ได้ไม่กลัวตายหรือไงไปทางนู้นเร็วขณะนั้นผู้คนที่มาคอยใส่บาตรแด่พระผู้มีพระภาคต่างก็วิ่งหนีเอาตัวรอดทิ้งภาชนะอาหารเกลื่อนกลาดแต่พระพุทธองค์กลับนิ่งสงบ รองทั้งเลี้ยวมาทางทิศที่ช้างใหญ่กําลังวิ่งมาพระอาหนอนเห็นดังนั้นก็รู้ว่าทั้งสองไม่มีทางหนีได้ทันท่านจึงเดินมาขวางอยู่เบื้องหน้าของพระผู้มีพระภาคด้วยคิดจะปกป้องชีวิตของพระาศาสดาไว้ด้วยชีวิตของพระองค์เองหลีกไปเถิดอาหนอนอย่าป้องกันเราพระองค์ผู้เจริญ ชีวิตของพระองค์มีค่ายิ่งนกะพระองค์อยู่เพื่อประโยชน์แก่โลกเป็นดวงประทีตและเป็นที่พึ่งของโลกพระองค์อย่าเสี่ยงกับอันตรายครั้งนี้เลยชีวิตของข้าพระองค์มีค่าน้อยขอให้ข้าพระองค์ได้สละสิ่งซึ่งมีค่าน้อยเพื่อรักษาสิ่งซึ่งมีค่ามากเหมือนสละกระเบื้องเพื่อรักษาไว้ซึ่งแก้มณีเถิดพระเจ้าข้ายาเลยอา น, นุ์ บารมีเราได้สร้างมาดีแล้วไม่มีใครสามารถลงตถาคตลงจากชีวิตได้ไม่ว่าสัตว์สิริฉานหรือมนุษย์หรือเทวดามานพรมใดๆดูนั่นสิชนาลลักีรีมันจนจะถึงพระพุทธเจ้าของเราอยู่แล้วทำยังไงดีล่ะพ่อไม่ทนแล้ว ด, ดูดูนั่นราศดาจะสิ้นแล้วหรือนี่โอ้ไม่ได้ ผู้เธอองค์ทรงประทับนิ่งพร้อมกับทรงแผ่เมตตาซึ่งทรงได้อบรมมาเป็นเวลานา น, านหลายแสนชาติสร้างออกจากพระหรไทยัยกระทบเข้ากับใจอันคลุกอยู่ด้วยความมึนเมาของนางช้างช้างใหญ่หยุดชะงักเหมือนถูกตีด้วยเหล็กท่อนใหญ่ใจซึ่งเร่าร้อนกระวนกระวายพระโมหะของมัน สงบเย็นลงทันทีเหมือนไฟน้อยกระทบน้ําเย็นจัดก็พลันดับฟูบลงมันหมอบลงแทบพระบาทของพระศาสดาพระพุทธองค์ทรงใช้ฝ่าพระหัตต์รูปศีรษะของพญาช้างพร้อมทั้งตรัสว่านาลาคีรีเออย เธอถือกำเมิดเป็นดีราฉานในชาตินี้เพราะกรรมอันไม่ดีของเธอในชาติก่อนแต่งให้เธออย่าประกอบกรรมหนักคือทำร้ายพระพุทธเจ้าเช่นเราอีกเลยเพราะจะมีผลเป็นทุกข์แก่เธอตลอดกาลนานนางช้างสงบนิ่งอยู่ครู่หนึ่ง แล้วจึงใชง้งวงเคล้าเคลียพระชงของพระผู้มีพระภาคเหมือนสารภาพผิดความมึนเมาและตกมันประลาศาการไปสิน้นประชาชนได้เห็นพุทธานุภาพอย่างอัศจรรย์เช่นนั้นก็าพากันมาสการะบูชาพระศ า, าสดาด้วยดอกไม้และของหอมจำนวนมากด้วยความศรัทธาเต็มเปี่ยม พระพุทธองค์ได้อย่างมิขาดตกบกพร่องอยู่เป็นเวลานานทั้งในด้านของภารกิจแห่งธรรมอันเกี่ยวข้องด้วยพุทธบริษัทและภิกษุสงฆ์มากมายหรือกิจที่ต้องทํานุบํารุงพระศาสดาเป็นการส่วนพระองค์ทั้งในยามปกติหรือยามที่ทรงประชวรแม้ว่าบางครั้งความตั้ง ใจอันดีของท่านจะถูกตาหนิอย่างรุนแรงเช่นมือครั้งที่พระพุทธเจ้าทรงประชวรด้วยโรคลมในพระอุทธรทำให้พระอาหนอนเป็นห่วงยิ่งนักจึงได้ปรุงข้าวยาคูคือข้าวต้มต้มจนเหลวด้วยมือของท่านเองเพราะพระพุทธองค์เคยตรัสไว้ว่ายาคู เป็นยาไล่ลมในท้องในลําไส้ได้ดีครั้นเมื่อท่านนำไปถวายพระพุทธเจ้ากลับตรัสถามว่าอานนท์เธอได้ยาคูมาจากไหนข้าพระองค์ปรุงเองพระเจ้าข่าอานนท์ทำไมเธอจึงทำอย่างนี้เธอทำสิ่งที่ไม่สมควรไม่เช่กิจของสมณะ เธอทราบหรือไม่ใช่ว่าสมณะไม่ควรปรุงอาหารเองทำไมเธอจึงมากมากถึงป่านนี้เอาไปเท เ, เสียเถิดอานน์เราไม่รับยาคููของเธอดอกระหว่างนั้นพระอานน์ยังคงก้มหน้านิ่งท่านมิได้ปริบ ป, ปากโต้แย้งหรือขอความเห็นใจในความตั้งใจอันดีของท่าน จนเห็นเหตุให้อาบัตเลยแม้แต่น้อยเป็นเช่นนี้เสมอสำหรับพุทธอนุชาซึ่งได้กระทำกิจทุกอย่างเพื่อพระพุทธองค์โดยไม่คำนึงถึงความเหนื่อยยากลำบากใดๆท่านมีจิตใจอ่อนโยนบริสุทธิ์สะอาดในพระศาสดาประดุษมารดาผู้ประเสรศิฐพึงมีต่อบุตรสุดสวาสด อีกทั้งมีความยำเกรงต่อพระผู้มีพระภาคประดุจบุตรผู้เลื่อมใสต่อบิดาและอยู่ในโอวาทของชนกผู้ให้กำเนิดตนอย่างแท้จริงท่านปฏิบัติหน้าที่ของท่านอย่างซื่อสัตย์เที่ยงตรงยากจะหาใดเสมอเหมือนจวบจนพระพันสายุการแห่งพระบรมศาสดา เข้าปีที่79ตอนปลายเหลือเวลาอีกเล็กน้อยก่อนที่จะส่งปรินิพานในพรรษานั่นเองจะเป็นพรรษาสุดท้ายแห่งพระชนชีพพระตถาคตเจ้าทรงพระประชวนหนักด้วยโรคปักขันที่กาพาดถึงกับมีพระบังคนเป็นโลหิตแต่ทรงพิจารณาเห็นว่ายังไม่ถึงการอันสมควร ที่พระองค์จักปรินิพานในครั้งนี้จึงทรงใช้สมาธิอิทธิบาทภาวนาขับไล่อาภารนั้นด้วยอธิวาสนาขันติคือความอดทนต่อทุกขเวทนาที่เกิดจากความป่วยไขย้จนกระทั่งหายแล้วพระอานน์จึงได้เข้าเฝ้ากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสรศิฐข้าพระองค์ ได้เห็นความอดทนของพระองค์แล้วความอดทนอดกลั้นอันใดที่พระองค์ทรงพร่ำสอนผู้อื่นอยู่เสมอพระองค์ได้ทรงกระทาความอดทนนั้นให้เป็นตัวอย่างแล้วสมแล้วที่พระองค์ได้รับการยกย่องว่าตรัสอย่างใดทรงกระทาอย่างนั้นแต่ว่า พระองค์ผู้เจริญในสมัยที่พระองค์ทรงพระประชวนหนักนั้นข้าพระองค์มีความวิตกกังวลอย่างยิ่งกายของข้าพระองค์งอมระงมไปหมดประหนึ่งความรู้สึกของหมู่ปักสีซึ่งอาศัยอยู่บนต้นไม้และต้นไม้นั้นแกว่งไกวเพราะแรงลมทิศทางทั้งหมด และดูมืดมนสำหรับข้าพระองค์มองดูพระองค์แล้วเหมือนข้าพระองค์จะเจ็บด้วยและเจ็บลึกยิ่งกว่าพระองค์เสียอีกแต่ข้าพระองค์ยังเบาใจอยู่อย่างหนึ่งว่าพระองค์ยังไม่ให้ประชุมสงฆ์ปราบรข้อที่ควรปรารบในมหาสมาคมตราบใดตราบนั้น พระองค์คงจักยังไม่ปรินิพานเป็นแน่แท้อานน์เอยเธอและภิกษุสงฆ์จะหวังอะไรในเราอีกเล่าทำใดที่เราควรแสดงเราได้แสดงหมดแล้วไม่มีกรรมมือของอาจารย์อยู่ในเราเลยคือเราไม่ได้ปิดบังซ่อนเร้นห่วงแหนทำใดๆไว้ ธรรมวิไนอันเป็นมรดกอันประเสริฐของบิดาตถาคตได้มอบให้เธอและภิกษุทั้งหลายโดยสิ้นเชิงแล้วข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐอานนนเอยจงดูเอาเถิดดูสรีละแห่งตถาคตบัดนี้มีลักษณะชราปรากฏอย่างชัดเจน มีอาการซุดโสมอย่างเห็นได้ชัดเช่นนี้จะอยู่ยั่งยืนานานไปสักเท่าใดการแตกสลายย่อมจะมาถึงเข้าสักวันหนึ่งอานน์เอยพวกเธอจงมีธรรมะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งเถิดอย่าคิดยึดสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยแม้เราต่ถาคตก็เป็นแต่เพียงผู้บอกทางเท่านั้น พระภาคประทับณเวลุคามเป็นเวลานานถึง8เดือนแม้ออกพรรษาแล้วก็มิได้เสด็จไปที่อื่นคงประทับอยู่ณที่นั้นจนสิ้นฤดูเหมันเพราะพระองค์ทรงแน่พระทัยว่าคงจะดำรงพระชนชีพไปไม่ได้นานนักแต่ยังไม่ได้ตรัสบอกพระอานนท์ในทันทีทรงเหลือเวลาอีกสามเดือนที่จะปรินิพาน ท่านจึงค่อยๆเผยกับพระอานนบ์เป็นในๆถึงสามครั้งระหว่างนั้นพระพุทธองค์ทรงถูกอาพาธคอยเบียดเบียนอยู่เสมอแต่ก็ทรงยังจาริกเพื่อประโยชน์สุขแห่งปวงชนต่อไปจากเวลุคามสู่กูตาคารสาลาในป่ามหาวันที่นั่นทรงเสด็จประชุมสงในเมืองเวสาลีทั้งหมด ทั้งยังประทานเทศนาให้ชาวนครเวสาลีคลายจากความเศร้าโศกที่จะได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเป็นครั้งสุดท้ายอีกทั้งยังทรงกล่าวเป็นนัยยะแก่พระอานนท์ในวันหนึ่งว่าอานนท์การมองดูเวสาลีครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายของตถาคตแล้วอนนท์เอ่ยทุกอย่าง เมื่อได้มีการเริ่มต้นแล้วยอมจะมีการสิ้นสุดใครเล่าจะสามารถลวงเหนียวสิ่งซึ่งจะต้องเป็นมิให้เป็นได้มาเถิดอาน o น์เราจากเดินทางไปสู่ปาวารเจดีพระอาน o น์รับฟังพระดำรัสด้วยความเศร้ามองท่วมทนใจ แม้ว่าภายนอกจะตามเสด็จด้วยอาการสงบและเคร่งครึมอาจเพราะท่านเป็นแต่เพียงพระโสดาบันยังไม่อาจตัดกิเลสได้สิ้นเช่นพระอรหันต์ทั่วไปความวันไว้และหม่นมองจึงเข้าปกคลุมดวงจิตของท่านจนมืดมนไม่อาจสำเนีกถึงนัยยะแห่งถ้อยคำของพระมหามุนีได้ แม้แต่น้อยเมื่อพระพุทธองค์เสด็จมาถึงป่าวาลเจดีประทับภายใต้ต้นไม้ซึ่งมีเงาครืมต้นหนึ่งแล้วก็ส่งตรัสกับพระอาหนอ์อีกครั้งอานอนอ์ผู้อบรมอิทธิบาทสีมาอย่างดีและฝึกเจริญจนคล่องแคล่วแล้วอย่างเรานี้หากปรารถนาจะมีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งปี พ็าสามารถจะมีชีวิตยอยู่ได้พระโลกนาฏตรัสเช่นนี้ถึงสามครั้งเพราะประสงค์จะให้พระอาณนทูลขอให้ทรงพระชนชีพอยู่ต่อไปแต่พระอาณนกลับนิ่งเฉยอยู่มิได้ทูลอะไรเลยเพราะความกังวลใจและความเศร้าของท่านมีมากเกินไปจนปิดบังดวงปัญญาเสียสิ้น เมื่อเห็นเช่นนั้นพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าอานน์เธอไปพักผ่อนสิบ้างเถิดเธอเหนื่อยมากแล้วเราจะาคตก็จะพักผ่อนเหมือนกัน อ น, นุนแยกไปแล้วพระตถาคตเจ้าทรงเริ่มพึงถึงอดีตอันยาวนานซึ่งล่วงมาแล้วถึง45สปีสมัยเมื่อพระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆท้อพระไทยในการที่จะประกาศสัจธรรมเพราะเกรงว่าจะทรงเหนื่อยเปล่าแต่อาศัยพระมหากรุณาต่อเวนยศัสตร์จึงตกลงพระไทยประกาศธรรม ครานั้นที่พระองค์ทรงตั้งพระทัยไว้ว่าหากพุทธบริษัททั้งสี่คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกายังไม่เป็นปึกแผ่นมั่นคงและพระพุทธธรรมของพระองค์ยังไม่แผ่ขยายเพียงพอตราบใดพระองค์ก็จะยังไม่รีบนิพพานตราบนั้น ยามนี้คําสอนของเราก็แพ่ขยายเพียงพอแล้วพุทธบริษัททั้งสี่มีศรัทธานแน่นแฟน้นและฉลาดสามารถพอที่จะรักษาธรรมะไว้ได้ก็เป็นเวลาสมควรแล้วที่เราจะปรงอายุสังขาร บุคคลผู้มีกำลังกลิ้งศิลาขนาดยักษ์จากหน้าผาลงสู่สระน้ำย่อมเกิดแรงกระเพื่อมสั่นสะเทือนแก่น้ำในสระนั้นฉันใดเมื่อพระพุทธเจ้าปลงพระชนมายุสังขารอธิษฐานพระไทยเช่นนั้นแล้วโลกธาตุเกิดวิปริตแปรปรวนมหาปัตตภี ก็เกิดอาการสั่นสะเทือนจนรุกขชาติวันไวแกว่งไกวด้วยแรงพายุก่อนจะนิ่งสงบประหนึ่งว่าเศร้าสลดใจในเหตุการณ์ครั้งนี้จนแน่นิ่งไปท้องฟ้านั้นเล่าก็แดงดั่งสีเลือดปักษาชาติร้องเรืองงมสนันไพร เหมือนกับจะประกาศว่าผู้ทรงบุญกำลังจะจากโลกนี้ไปในไม่ช้าพระอานนนสังเกตเห็นอาเพศเหตุเช่นนั้นจึงเข้าเฝ้าพระจอมมุนีทูลถามว่าพระองค์ผู้เจริญโลกธทาพิปริตแปรปรวนผิดปกติเช่นนี้อะไรที่ไม่เคยเกิดก็เกิดอย่างนี้ เป็นเพราะเหตุไรเนออานนนเอยอย่างนี้แหละคราใดที่ทัาคตประสูตรตรัสรู้หมุนธรรมจัก p r o l o อายุสังขารและนิพพานครานั้นย่อมจะมีเหตุการณ์วิปริตอย่างนี้เกิดขึ้น พระเจ้าปร่งพระชนมายุสังขารเสร็จแล้วความสะเทือนใจและว้าเวประดังขึ้นมาจนน้ำตาหลั่งไหลอย่างสุดที่จะหักห้ามใจได้เพราะความรักเหลือประมาณที่ท่านมีในพระเชษฐาภาดาพระอาณน์มอบลงที่พระบาทธทูลแล้วทูลว่า ขาแต่พระองค์ขอพระองค์อาศัยความกรุณาในข้าพระองค์และหมูสัตว์จงดำรงพระชนชีพต่อไปอีกเถิดอย่าเพึ่งดวดปรินิพานเลยอานนนเอ๋ยเป็นไปไม่ได้ที่จะให้ตถาคตกลับใจตถาคตจะต้องปรินิพานในวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะ อาหนนเราได้แสดงลิมิตโอกาสอย่างแจมแจ้งแก่เธอพอเป็นในยะมาไม่น้อยกว่า16หครั้งแล้วว่าคนอย่างเรานี้ถ้าประสงค์จะอยู่สักหนึ่งกับหรือ120ปีก็พออยู่ได้แต่เธอหาเฉลหยวใจไม่เราตั้งใจไว้ในคราวก่อนๆ น, นี้ว่า ถ้าเธอทูลให้เราอยู่ต่อไปเราจะห้ามเสียสองครั้งพอเธอทูลครั้งที่สามจึงจะรับอาราธนาของเธอแต่บัดนี้ชาเสียแล้วเราไม่อาจกลับใจได้อีกอานนตั้งแต่จาริกจากเขาคิจกูจนถึงสารัมทะเจดี เราให้ในัยยะแก่เธอถึงสิบหกครั้งและเมื่อสักครู่ที่ป้าวารเจดีเราก็ยังได้กล่าวซ้ำอีกแต่เธอก็หาเฉลียวใจใหม่ทั้งนี้เป็นเพราะความบกพร่องของเธอเองแล้วเธอจะคร่ำครวนเอาอะไรอีก สังขารอันเหมือนกวยนชมุตนี้เราได้สละแล้วเรื่องที่จะดึงกลับคืนมาอีกนั้นมิใช่วิสัยแห่งตถาคตเราไม่ได้ปรักปรมเธอเธอเบาใจเถิดเธอได้ทำหน้าที่ดีที่สุดแล้วเราสอนเธออยู่เสมอว่าบุคคล ต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พึงใจเป็นธรรมดาชีวิตนี้มีความพลัดพรากเป็นที่สุดจะปราถนาให้คงอยู่ตลอดไปนั้นไม่พึงหวังได้ทุกสิ่งทุกอย่างดำเนินไปสู่จุดสลายตัวอยู่ทุกขณะอานนนเธอได้ทำหน้าที่ของเธอดีแล้ว อย่างนี้เหลือเวลาอีกสามเดือนเราจึงค่อยปรินิพาน ล, ละจากโลกนี้ไปไปเถอะอาโนนยังมีสิ่งสำคัญให้ทำมากกว่าคร่ำครวญสามเดือนต่อมาณบริเวณสาระวนโนทยาน กรุงกุสินาราพระอานน์พร้อมทั้งคณะสงฆ์และพุทธบริษัทเป็นจํานวนมากหรือคนานาก็มาประชุมพร้อมกันด้วยว่าข่าวการปลงพระชนมายุสังขารบัดนี้เป็นที่ทราบกันโดยทั่วแล้วพระผู้มีพระภาครับสั่งให้พระอานน์จัดพระท่านไว้ระหว่างต้นศาลาสองต้น ที่มีกิ่งโน้มเข้าหากันยามนั้นพุทธบริษัทมาเฝ้าพระพุทธเจ้ากันเป็นครั้งสุดท้ายขณะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าก็ตรัสสั่งเสียเรื่องต่างๆกับพระอา non นนเป็นอันมากอานอนเมื่อเราล่วงลับไปแล้วเธอทั้งหลายอาจจะคิดว่า บัดนี้พวกเธอไม่มีศาสดาแล้วจึงพึงว้าเวไรที่พึ่งอานนนเอยพึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันว่าธรรมวินัยอันใดที่เราได้แสดงแล้วบัญญัติแล้วขอให้ธรรมวินัยอันนั้นจงเป็นศาสดาของพวกเธอแทนเราต่อไป เธอทั้งหลายจงมีธรรมวินัยเป็นที่พึ่งอย่าได้มีอย่างอื่นเป็นที่พึ่งเลยอานน์อีกเรื่องหนึ่งคือสิกขาบทบัญญัติที่เราบัญญัติไว้อันมีอยู่เป็นจำนวนมากเพื่อภิกษุทั้งหลายจะได้อยู่ด้วยกันอย่างผาสุกเมื่อเราล่วงับไปแล้วหากสิกขาบทใด ที่ไม่เหมาะสมกับสมัยหรื อ, อยากลำบากในการปฏิบัติตามกาลเทศะในภายภาคหน้าเราอนุญาตให้ถอนสิกขาบทเล็กน้อยได้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญแต่ครั้งก่อนเหล่าพุทธบริษัทต่างเดินทางจากทุกสารทิศเพื่อฟังโอวาจากพระองค์ เมื่อพระองค์เสด็จปรินิพพานแล้วเหล่าพุทธบริษัทจะพึงไปณที่ใดอานนอนเมื่อเราจากไปแล้วสถานที่ระลึกถึงเราก็มีอยู่คือสวนลุมพินีวันสถานที่เราประสูติปาอิสิก ป, ปัตนามรึกขายวันสถานที่เราแสดงธรรมเป็นครั้งแรกพุทธคยา อํบนอุรุเวลาเสนานิคมสถานที่เราตรัสรู้และที่นี่ป่าสาละนครกุสินาราสถานที่เราจับพลินิพานสถานที่ทั้งสี่แห่งนี้จะเป็นสังเวชนียสถานให้ระลึกและเดินตามรอยธรรมแห่งเรา พระพุทธเจ้าตรัสเกี่ยวกับการปลงพระสริระแล้วก็ทรงบรรทมนิ่งอยู่พระอานนทอยออกจากที่เฝ้าเพราะความเศร้าสลดสุดที่จะอดกลั้นได้ท่านไปยืนอยู่ที่ประตูวิหารน้ำตาไหลพรากจนอาบแก้มแล้วเสียงสะอื้นเบาๆก็ตามมาบัดนี้ ท่านมีอายุอยู่ในวัยชรานับได้แปดสิบปีเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าอุปสมบทมานานถึง44พันษาเป็นเวลานานหรือเกินที่ท่านและพระาศาสดาได้ทำประโยชน์และเอื้อเฟื้อต่อกันท่านได้ยินได้ฟังพระธรรมและอบรมจิตใจอยู่เสมอ จนบรรลุคุณธรรมขั้นต้นเป็นโซดาบานบุคคลหากไม่มีเรื่องกระทืนใจอย่างแรงก็คงไม่เศร้าโศกปริเวทนาการถึงขนาด น, นี้ท่านถึงกับสอึกสะอื้นจนเทิมสั่นไปทั้งองค์พ <c oughs> ระผู้สรงเป็นที่พึ่งของโลกและขอข้าพระองค์ นับแต่ น, นี้ไปจะไม่ได้เห็นพระองค์อีกแล้วพระองค์มาดูจากข้าพระองค์ไปแต่ก่อนแต่ไรพระองค์เปรียบเหมือนพี่ลิศสอนให้เด็กเดินข้าพระองค์เป็นดังเด็ก น, อน้อยเริ่มจะหัดก้าวแต่พี่ลิ หลบมีอดพลัดพระจากไปเสียแล้วพระพุทธเจ้าเห็นว่าพระอานน์หายไปนานจึงตรัสถามภิกษุอื่นได้ทราบว่าพระอานน์หลบไปร้องไห้ยอยู่ภายนอกสรงให้ภิกษุไปตามพระอานน์กลับมาเข้าเฝ้าพระอานน์ จึงกลับมานั่งก้มหน้านิ่งอยู่ข้างๆพระที่อา น, นุนอย่าคร่ำครวญ น, นักเลยในโลกนี้หรือในโลกไหนไหนไม่มีสิ่งใดยั่งยืนถาวรสิ่งที่มีการเกิดย่อมมีการดับหนที่สุดมิอาจยับยัง้งให้คงอยู่ไว้ได้ดอก ข้าแต่พระพุทธองค์ข้าพระองค์มารำพึงว่าตลอดเวลาที่พระองค์ทรงพระชนอยู่ข้าพระองค์เที่ยวติดตามประดุจฉายาต่อไปนี้ข้าพระองค์จะติดตามผู้ใดเล่าจะพึงตั้งนามชั น้ำสวยเพื่อผู้ใดจะพึกปัดกวาดเสนาสนะที่หลับนอนเพื่อผู้ใดอันหนึ่งยาบนี้ข้าพระองค์ยังมีอาสวะอยู่ใครจะเป็นที่พึ่งของข้าพระองค์เพื่อกำจัดกิเลสให้หมดสิน้นข้าพระองค์ อยู่อย่างว้าเวและเดียดดาเมื่อคำนึงอย่างนี้แล้วก็อยากที่จะหักห้ามความเศร้ากำสดดนได้อานน์เธอเป็นผู้มีบารมีธรรมที่ได้สั่งสมมาแล้วมาก <c oughs> เธอเป็นผู้มีบุญที่ได้ทำไว้แล้วมาก อย่าเสียใจเลยกิจอันใดที่ควรทำแก่ตถาคตเพอได้ทำกิจนั้นอย่างสมบูรณ์แล้วด้วยกายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมอันประกอบด้วยเมตตาอย่างยอดเยี่ยมจงประกอบความเพียรเถออานนเมื่อเราล่วงละไปแล้วเธอจะต้องสำเร็จอรหัตผล เป็นพระอาหารหันต์ในไม่ช้าเมื่อทรงตรัสกับพระอานนอ์ดังนี้แล้วจึงเรียกภิกษุทั้งหลายเข้าไปใกล้แล้วทรงสรรเสริญพระอานนอ์โดยอเนกปริยายภิกษุทั้งหลายอานนอ์เป็นบันณฑิตผู้รอบรู้และอุปถัมเราอย่างดีเยี่ยมอานนอ์ เป็นผู้ดำเนินกิจด้วยปัญญารู้การที่ควรและไม่ควรรู้เวลาที่เหมาะสมควรได้รับการยกย่องนาน า, นาประการมีคุณธรรมอันน่าอัศจรรย์ในยามอานน์แสดงธรรมผู้ที่ฟังจะเกิดจิตใจ ย, ยินดีในธรรมที่สแสดงผู้ที่ไม่เคยฟังจะอยากฟัง ผู้ที่ไม่เคยสนทนาจะอยากสนทนาด้วยพุทธบริษัททั้งหลายอานน์เป็นบุคคลผู้หาได้ยากผู้หนึ่งเมื่อพระอา น, น์ไม่ได้ทูนอะไรอีกพระตถาคตเจ้าจึงตรัสต่อไปว่าดูก่อนพระภิกษุทั้งหลายผู้มาประชุมกันอยู่ณที่นี้ ผู้ใดมีความสงสัยเรื่องพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ในมักหรือปฏิปทาใดๆก็จงถามเสียบัดนี้ภิกษุทุกรูปเงียบกริบปรินิพานมณฑลสงบเงียบไม่มีเสียงใดๆเลยทุกคนปรารถนาจะฟังแต่พุทธดํารัส เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจเป็นครั้งสุดท้ายบัดนี้แม้ว่าพระละกําลังของพระองค์เหลืออยู่น้อยเต็มทีแล้วพระบรมโลกนราศก็ยังประทานปัดชิมโอวาสเป็นพระพุทธดำรัสสุดท้ายว่าภิกษุทั้งหลายบัดนี้เป็นวาระสุดท้ายแห่งเราแล้ว เราขอเตือนเธอทั้งหลายให้จำมั่นไว้ว่าสิ่งทั้งปวงมีความเสื่อมและความสิ้นไปเป็นธรรมดาเธอทั้งหลายยงอยู่ด้วยความไม่ประมาทเถิด ชิมยามพระจัน์โคโจรไปทางขอบฟ้าที่ตะวันตกแล้วท้องฟ้าเกลี้ยกล่าปราศจากเมฆหมอกแสงสมสรดส่องผ่านทิวไม้ลงมารัศมีแจ่มจรัดดูเหมือนจะจงใจส่องแสงเปล่งปลั่งเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจึงสลัวลงเล็กน้อยเหมือนจงใจไว้อาลัยในพระาศาสดา ผู้เป็นครูของเทวดาและมนุษย์บัดนี้พระผู้มีพระภาคมีพระกายสงบหลับพระเนศสนิทและเข้าสู่ปรินิพานตามลำดับแล้วแต่ต้นปัดชิ ม, มยามแห่งราตรีเวลายังเหลืออยู่อีกนานกว่าจะรุ่งอรุณพระอนุรุษและพระอนนท ได้สับเปลี่ยนกันแสดงธรรมปลอบพุทธบริษัทให้คลายโศกด้วยธรร ม, มเทศนาอันปฏิสังยุตไตรลักษณะการคือความไม่เที่ยงเป็นทุกข์และเป็นอนัตตาข่าวการดับขันธปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าแพร่สรพัดไปอย่างรวดเร็วตลอดทั่วชมพูทวีป พาราตะวัตทั้งหมดสัส่นสะเทินวิปโยคคร้มไปด้วยเมฆคือความเศร้าโศกทั้งชุ่มโชกด้วยละอองฝนทางคณะสง์ได้กำหนดเก็บพระพุทธสรีระไว้เป็นเวลาหกราตรีในวันที่เจ็ดก็จะทำพิธีถวายพระเพลิงณมกุฏพันธนะเจดีด้านบุรพาแห่งกุสินารานคร อย่างสมพระเกียรติครบถ้วนตามที่พระพุทธเจ้าได้สั่งความไว้กับพระอานนท์โดยมีพระมหากัสปะเป็นประธานในพิธีแม้ว่าบัดนี้พระสรีระของพระศาสดาจะไม่ต้องการองค์อุปถาอีกแล้วทว่าพระพุทธอนุชาอานนท์ยิ่งต้องรับภาระหนักเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ภาระคือทุกอันหนักอึ้งแม้จะพยายามหักห้ามใจสักปานใดแต่เมื่อท่านเห็นคนทั้งหลายเศร้าโศกก็อดที่จะกาสดตามไม่ได้เพราะความอาลัยในพระศาสดาอย่างสุดประมาณเป็นเวลาถึง25้าปีจำเดิมแต่รับหน้าที่พุทธอุปถากมาเคยรับใช้ใกล้ชิดพระพุทธองค์ เหมือนเงาตามองค์บัดนี้พระพุทธองค์เสด็จจากไปเสียแล้วท่านจึงรู้สึกว่าเวและเงียบเงามากกว่าใครครั้นเมื่อถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระเสร็จสิ้นแล้วพระมหากัสปะ ผู้เป็นประธานสงฆ์ก็ได้กล่าวในที่ประชุมสงฆ์แห่งกุสินาราว่าภิษุทั้งหลายเมื่อข้าพเจ้าเดินทางจากกรุงปาวามาสู่กุสินาราเพื่อเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนปรินิพพานมีภิกษุรูปหนึ่งบวชเมื่อชาราแล้วนามวาสุพัทธกล่าวว่าพระพุทธเจ้า ปรินิพานเสียก็ดีแล้วพวกเราจะเป็นอิสระไม่มีพระองค์มาคอยวางระเบียบวินัยบังคับต่อไปนี้พวกเราพอใจจะทำสิ่งใดก็ทำไม่พอใจจะทำสิ่งใดก็ไม่ต้องทำพระพุทธเจ้าปรินิพานเพียงเจ็ดวันเท่านั้นยังมีภิกษุกล่าวจ้วงจากพระธรรมวินัย และพระพุทธองค์ถึงเพียงนี้ถ้าเราไม่ดำเนินการใดต่อไปภายหน้าพุทธศาสนาอาจจะวุ่นวายไม่สิ้นสุดได้เพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจงประชุมกันเพื่อสังคายนาพระธรรมวินยัยตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและบัญญัติไว้เมื่อพระมหากัสสปะกล่าวจบ คณะสงฆ์ก็ได้ประชุมกันและมีมติให้ทาสังคยนาพระธรรมมวินัยที่กรุงราชคฤตในช่วงเข้าพรรษาตลอดสามเดือนโดยภิกษุที่เข้าร่วมได้จะต้องสำเร็จเป็นพระอรหันต์จำนวนห้าร้อยรูปบัดนี้เหลือเวลาอีกเพียงเดือนครึ่งจะถึงกำหนดสังคยนา พระมหากัสปะและพระอนุรุตพาภิกษุแบ่งเป็นสองหมู่เดินทางมุ่งสู่กรุงราชครึส่วนพระอานนท์มีภิกษุอีกหมู่หนึ่งแวดล้อมเป็นบริวารเดินทางไปสู่นครสาวัตถีระหว่างทาง <c oughs> เสียงเครื่อครวญนคนึงหาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ดังอยู่ทุกคนทุกแห่งที่ท่านผ่านไปความเศร้าโศกของผู้คนไม่ต่างจากวันที่พระาศาสดานิพพานพุทธอนุชาพระกุณเจ้าอานอน์ท่านนำเอาพระาศาสดาไปทิ้งเสียหน้าที่ใดเล่า ศาสดาไม่น่าด่วนจากพวกเราไปเลยความโศกาอาดุลของผู้คนทำให้จิตใจของพระพุทธอนุชาไหววันและตื้นตันความเศร้าของท่านที่เคยสงบระงับลงบ้างแล้วก็กลับฟื้นตัวขึ้นอีกท่านจึงต้องพยายาม น้อมเอาโอวาทของพระศาสดามาประคับประคองใจและแล้วก็ปลอบโยนพุทธศาสนิกให้คลายโศกด้วยเทศนาอันกล่าวถึงไตรลักษณ์แล้วจึงเดินทางมาโดยลำดับจนกระทั่งลุกถึงสาวัตถีราชธานีเข้าไปสู่วัดเชตวนารามพุทธบริษัท ก็ยังมาแวดล้อมแสดงอาการเศร้าโศกถึงพระาศาสดาอีกพระอานนทพุทธอนุชาเข้าไปสู่พระคันทักกูดีที่พระผู้มีพระภาคเคยประทับมอบลงกราบที่พุทธอาจเก็บกวาดเสนาสนะให้เรียบร้อยตั้งน้ำดื่มน้ำใช้เหมือนอย่างที่เคยทำเมื่อพระาศาสดาประทับอยู่ ประชาชนชาวสาวัถีเห็นดังนี้ก็ยิ่งโศกเศร้าจึงหลั่งน้ำตาอีกครั้งประหนึ่งว่าน้ำตาข้างหนึ่งหลั่งไหลเพราะสงสารพระพุทธอนุชาและอีกข้างหนึ่งเพราะความอาลัยรักในพระผู้มีพระภาค พ, พระอานนท์จึงต้องคอยปลอบโยนไปพลางวิสัชนาคำถามต่างๆไปพลางแกพุทธบริษัท เป็นเช่นนี้จนจูนเข้าพรรษาจนท่านรู้สึกเหนือ่อยล้าทั้งใจและกายทั้งทั้งที่ท่านเองก็ยังไม่ได้บรรลุอรหัตผลแม้เมื่อท่านได้จาริกสู่เบญจกีรีนครเพื่อทำประชุมสังฆานาพุทธอนุชาก็ได้เร่งทำความเพียรอย่างติดต่อ เพื่อให้ได้บรรลุพระอรหันต์แต่ก็หาได้สำเร็จตามประสงค์ไม่ยังคงเป็นเพียงโซดาบันจนกระทั่งเหลืออีกเพียงวันเดียวจะถึงวันประชุมภิกษุบางรูปถึงกับต้องเข้ามาเตือนพระอานนท์ว่าท่านอานนท์ท่านจงเร่งทำความเพียรพยายามเข้าเถิด พรุ่งนี้แล้วจะเป็นวันมหาสันนิบาต ท, ท่านรู้มิใช่หรือว่าตามระเบียบนั้นผู้เข้าประชุมทั้งหมดจะต้องเป็นพระขีนาสพแม้จะเป็นพุทธอนุชาก็มิได้มีข้อยกเว้นพระอานนไมิได้กล่าวสิ่งใดนอกจากน้อมรับคำเตือนนั้น โดยดุสนีในคืนสุดท้ายนั่นเองท่านจึงได้เริ่มทำความเพียรตั้งแต่อาทิตย์อัสดงตั้งใจอย่างมั่นคงว่าจะให้ถึงพระอรหันตในคืนนั้นปฐมยามล่วงไปแล้วก็ยังไม่อาจทำอาสวะให้สิน้นล่วงเข้าสู่มัชชิมยามพระพุทธอนุชา ก็ยังทำความเพียรต่อไปอย่างไม่ยออ่อท้อท่านได้แต่ะระลึกถึงพระดำรัสของพระศาสดาที่ประทานไว้ก่อนมหาปรินิพานว่าอานนนเธอเป็นผู้มีบุญที่ได้บำเพ็ญสั่งสมมาแล้วมากเธอจะได้บรรลุอรหัตผลในไม่ช้าแม้เมื่อหลังจากเราปรินิพานแล้ว พุทธดำรดนี้เองที่ทำให้ท่านเกิดความมั่นใจและความมั่นใจนี้ก็ได้กระตุ้นจิตใจให้ท่านทําความเพียรอย่างไม่หยุดยัง้งจนรู้สึกอ่อนล้าเมื่อจะถึงกึ่งมัชชิมยามนั่นเองท่านจึงคิดว่าจะพักผ่อนเสียหน่อยหนึ่งแล้วจะทำความเพียรต่อไปตลอดราตรี ท่านจึงลงจากที่จงกรมล้างเท้าให้สะอาดแล้วทอดกายลงขณะที่ล้มตัวลงศีรษะยังไม่ทันถึงมอนและได้ยกเท้าขึ้นจากพื้นนั่นเองจิตของท่านก็หลุดพ้นจากอาสวะทั้งมวล สำเร็จเป็นพระอระหันในขณะนั้นพร้อมด้วยปฏิสัมพิทาและอภิน ญ, ญาสมาบัติด้วยความปิติปราโมทอย่างใหญ่หลวงจุดหมายอันใดเป็นจุดมุ่งหมายสูงสุดสำหรับผู้ถือบวดบัตดนี้พุทธอนุชาได้บรรลุแล้วซึ่งจุดหมายนั้น ภาวะแห่งผู้ปลดเปลื่องตนจากกิเลสได้เป็นเช่นนี้เองความเกิดสิ้นแล้วพรหมจรรย์อยู่จบแล้วกิจที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วกิจที่ต้องทำในทํานองเดียวกันนี้ไม่มีอีกแล้วบัดนี้ไม่มีพบใหม่อีกต่อไปเรา ดับเพลิงแห่งกิเลสและเพลิงแห่งทุกทั้งปวงได้สิ้นแล้วถึงแล้วซึ่งความสงบสุขเยือกเย็นอย่างยิ่งพระนิพพานเป็นเช่นนี้เองปฐมสังคยนาครานั้นสำเร็จลงได้ ด้วยแรงสำคัญของพระเทระสามรูปเป็นองค์หลักนั่นคือพระมหากัสปะเป็นผู้ซักถามพระอุบาลีซึ่งได้รับการยกย่องจากพระาศาสดาว่าเป็นเลิศทางพระวินัยได้วิสัชนาส่วนพระอานนท์พุทธานุชาก็ได้วิสัชนาพระธรรมโดยตลอดกล่าวกันว่าสังคยาครั้งนั้นทำอยู่ถึงสามเดือน จึงสำเร็จเรียบร้อยเป็นปฐมแห่งการชำระพระาศาสนาให้บริสุทธิ์นับแต่พระาศาสดาได้ปรินิพานเพื่อสืบต่อพระพุทธาศาสนามาตราบจนทุกวันนี้เป็นเวลาอันยาวนานถึง45า้าพันปา ที่พุทธอนุชายืนอยู่เคียงข้างและทานุบํำรุงพระศาสดาตราบจนพระองค์เสด็จสู่ปรินิพานแม้เมื่อภายหลังพุทธปรินิพานแล้วพระอานนณน์ก็ยังคงจาิกไปทั่วชมพูทวีปเพื่อเผยแผ่พระธรรมอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยเป็นเวลาถึง40ปีที่ท่านต้องยืนหยัด ทมนุบำรุงพระศาสนาอยู่อย่างเดียวดายจนกระทั่งพระพุทธศาสนาได้อย่างรากลึกแร่ร่มเงาสาขาเป็นปึกแผ่นมั่นคงยิ่งขึ้นแม้มือไม่มีพระศาสดาอีกต่อไปเป็นเวลาถึงร2 0ิปีท่านจึงดับขันสู่นิพพานพระอานนท์ ซึงเป็นแบบอย่างแห่งอริยสงฆ์ผู้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจอุทิศชีวิตแด่องค์พระผู้มีพระภาคและพระพุทธศาสนาโดยไม่ได้เห็นแก่ความสุขความสำเร็จส่วนตัวเลยแม้แต่น้อยสมกับที่เป็นพุทธอนุชาทั้งโดยชาติกำเนิดและโดยอริยวัต และจะริยวัตรอย่างแท้จริง